ตอนที่ 17. ความรั ก, รกและมักได้ความรู้สึกขาดแคลนของจิตใจไม่อาจสูญสิ้นไปได้ด้วยการสแสวงหามาสะสมไม่หวงแหนการได้มาเหล่านั้นทำให้เรารู้สึกอิ่มรู้สึกพึงใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งจากนั้นสิ่งที่ได้มาก็จะค่อยๆถูกมองว่าไม่ค่อยมีความหมายไม่ตื่นเต้นเหมือนแรกได้มาพร้อมกับเกิดความรู้สึกขาดแคลนขึ้นมาใหม่ พิเศษพิสดารขึ้นไปกว่าเดิมสิ่งที่วิ่งไล่ไกว้กว่ามาสะสมไว้ในชีวิตกลับดูเหมือนเป็นสิ่งลมๆแรงๆ แ, และทั้งหมดก็สแสวงหามาสะสมไว้เพียงเพื่อได้สูญเสียมันไปอีกคนแต่ละครั้งที่ไกว้กว่ามาสมอยากเป็นเสมือนการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปให้ไฟดับสักวูบหนึ่งที่สงบลงก็จะเกิดการกระพือลุกโหมรุนแรงกว่าเดิมการไดมาสมใจอยาก หาได้ขจัดอาการเรียกร้องได้อย่างแท้จริงไม่คนเราถึงจะอุดมสมบูรณ์ไปได้สิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเหลือกินเหลือใช้มีเงินทองและอำนาจมากมายสามารถว่าจ้างหาเหยื่อมาป้อนความรู้สึกโหยหาบําบัดดํากฤษณาของตนแต่ในความรู้สึกกลับยังเป็นคนยากจนเพราะรู้สึกยังไม่พ อ, อยังอยากได้มากกว่านี้จิตใจยังหาได้หยุดเรียกร้องไม่ ยังต้องเลือกสรรหาเหยื่อที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนผิดสามัญชนสิ่งธรรมดาที่ให้ความสุขแก่คนทั่วไปจะเป็นสิ่งไร้ค่าไม่สามารถทำให้สะใจความสุขกลายเป็นของหายากยิ่งขึ้นทุกวันกว่าจะอยู่เป็นผู้เป็นคนกับใครเขาได้จะต้องมีรถขี่ราคาแพงสวมเสื้อผ้าอาภรณ์หรูหราดื่มกินอย่างฟุ่มเฟือยเดินเหินอย่างมีบริวาร ถึงปานนั้นก็หาได้รู้สึกเพียงพอที่แท้จริงไม่แล้วไม่สามารถกลับไปมีชีวิตที่ไม่ได้ระดับดังกล่าวยังอยู่เป็นสุขได้อีกเลยความสุขของคนเราอยู่ที่ความเพียงพอแต่ถ้าเราไม่หัดทำความพอให้แก่ตนเองเราก็จะถูกล่อใจให้วิ่งไปจับจองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกล่าราบเท่าที่จะมีหวังเป็นไปได้ต้องทุรนทุรายต่อไป ยังไม่เคยมีความพร้อมที่จะเผื่อแผ่ได้เสมอไปชีวิตที่หรูหราใช่ว่าจะมีความสุขสันติยิ่งไปกว่าชีวิตที่เรียบง่ายความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่การมีอะไรมากมายขึ้นมาในชีวิตเราจะมีชีวิตได้อย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใดไม่ได้อยู่ที่เราไกวกว้าได้เก่งแค่ไหนแต่อยู่ที่เราเก่งในการทาความพอได้มากน้อยเท่าใดต่างหาก และความพอนี้เองเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความรักไม่รู้สิ้นสุดแม้เราอาจไม่ประสีประษาวิชาการอะไรมากนักเราไม่ทันสมัยไม่มีระดับแต่เมื่อเราเก่งในการทำความพอให้เกิดขึ้นในการดารงชีวิตแม้เราไม่ฉลาดไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่เราก็จะรู้ว่าชีวิตต้องการอะไรและเมื่อนั้นแหละมันสมองและสองมือ จะสร้างมหกรรมแห่งการสร้างสรรค์ด้วยจิตใจปรีเเรมแม้รูปแบบอาจจะไม่ยิ่งใหญ่มีหน้ามีตาเพราะเรื่องราวของความรักไม่ได้ส่งอยู่ที่ความอลังการของรูปแบบเลยเราทุกคนต่างเคยมีความคิดที่จะมีชีวิตอย่างรักเพื่อนมนุษย์แต่เรื่องการดำเนินชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดไม่เช่นนั้นโลกเราก็คงไม่วุ่นวายสับสนเพราะความเห็นแก่ได้กันรอก พอเราเกิดคิดช่วยเหลือใครๆอยากให้ความรักแก่ใครๆเราอาจจะต้องสะดุดความมักได้ความเห็นแก่ตัวของเราเองเราแพ้ใจตัวเองบ่อยๆเพราะนิยมปล่อยตัวปล่อยใจไปตามยถากรรมไม่เคยได้หันหน้ามาเอาจริงเอาจังกับการฝึกจิตเรียนรู้เข้าใจในอารมณ์ตนเองอะไรไม่สอบอารมณ์หน่อยเราก็เอะอะวยวายระบายความไม่พอใจหรือเก็บกดซ่อนความแค้นไว้เงี ย, งยบ ไม่เคยได้ตั้งสติใช้ปัญญาดับความหมนหมองความรักเราก็อับเฉาไปจิตใจเรากระด้างขึ้นไม่เคยพร้อมที่จะรักใครๆไม่พร้อมที่จะรักลูกรักครอบครัวรักเพื่อนมนุษย์รักสภาพแวดล้อมรอบตัวเราหลายๆคราวหัวสมองของเราครุ่นคิดอยู่แต่กับตัวเลขในบัญชีกำไรดอกเบีย้ยเลื่อนตําแหน่ง จนไม่สามารถมองเห็นความจริงใจบนใบหน้าของผู้คนประหนึ่งว่าเกิดมาใช้ชีวิตอย่างรุ่มร้อนเงาเงาอย่างสูงศักดิ์สิทช่างชามฉลาดมีความรู้รอบตัวแต่หารู้จักคนรอบตัวไม่รุ่มร้อนเพราะเรียกร้องมากเกินไปมีความรักน้อยเกินไปเรากำลังทำตนเป็นเพียงเศษสรากชีวิตที่ภูมิฐานในสานักงานหรู เราถูกปลุกปั่นให้แสวงหาเงินและอำนาจอย่างมืดบอดจนเมื่อยล้าไปทั้งชีวิตระวังว่ามันจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จแต่แล้วเราก็สูญเสียความรักรอบกายของเราไปอย่างน่าใจหายได้สิ่งที่ครอบครองและอ้างสิทธิ์ไว้อย่างล้นเหลือแต่สิ่งที่สูญเสียไปนั้นยิ่งใหญ่กว่าชีวิตขาดแคลนมากยิ่งขึ้นเย็นชาต่อความเดือดร้อนของผู้อื่น ไม่มีหัวใจรับทราบความเป็นไปของธรรมชาติรอบตัวไม่มีใจยิ้มให้กับใครๆยังเป็นกันเองอย่างจริงใจทําไปก็ฝืนทนเพราะมารยาทมากเข้าไปทุกทีนี่คือผลจากการปล่อยใจไปตามยถากรรมนับวันที่ห้องแอร์กำแพงสด้านเพดานคอนกรีตของสํานักงานกลายเป็นคุกขังตนเองมากขึ้นทุกทีถ้าเรายังไม่เฉลียวใจและตั้งหลักสํารวจตน วันเวลาก็จะคร่าความรักออกไปจากใจเราไปเรื่อยๆวันไหวง่ายเหงาง่ายเส ง, ง่ายหงดหงิดง่ายมีความมักได้จากับวิถีชีวิตอยู่อย่างง ง, งๆไม่รับรู้เป้าหมายชีวิตสํานึกในหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการหาเหยื่อมาป้อนความอยากที่โหมกระพือขึ้นมาเป็นวุบๆโดยปราศจากการควบคุมอารมณ์เหยื่อทั้งหลายวิจิตพิสดารราคาแพงมากขึ้นทุกที ถนนสายนี้ไม่มีที่สิ้นสุดครุกระขึ้นขึ้นลงลงและทำลายน้ำใจซึ่งกันและกันแท้จริงการสร้างความรักขึ้นในใจคนเรานั้นไม่ใช่จะต้องมีโครงการอะไรขึ้นมามากมายหากเพียงแต่เราได้หัดเรียนรู้วิธีการกําจัดความเห็นแก่ตัวเท่านั้นเราก็สามารถมีความรักได้อย่างเป็นสากรักที่ไม่ต้องแซงสร้างท่าทีความรักใดๆอีกเลย เพียงแต่ขจัดความมักได้เท่านั้นเราก็สามารถรักได้เต็มที่เราไม่มีวิธีอื่นใดในการสร้างความรักนอกเหนือจากการเจริญสติปัญญาเฝ้าเรียนรู้การระวังใจและรู้เท่าทันใจในการป้องกันและดับอัดตาหรือความมักได้ที่ก่อตัวขึ้นมาในใจธรรมชาติของชีวิตนั้นมีความรักความกรุณาเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจแล้วในภาวะปกติจิตใจคนเรา มีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่แล้วพร้อมที่จะมีไมตรีเพื่อแผ่ใครๆถ้าเราแจ่มใสเบิกบานมีลูกสุนัขตกน้ำเปียกน้ำแล้วมายืนหนาวสั่นอยู่ต่อหน้าเราเราย่อมเกิดความสงสารหาผ้ามาเช็ดตัวให้มันยังเอาใจใส่ยังเต็มใจสมัครใจไม่หวังผลตอบแทนนี่เป็นปรากฏการณ์สวยงามของธรรมชาติชีวิตคนเรา เกิดมาด้วยดวงใจเต็มเปี่ยมไม่มีว้าแหวงไม่จำเป็นต้องหาความรักอื่นใดที่ไหนมาปลูกฝังลงในดวงใจของมนุษย์ได้อีกเลยขอแต่เพียงเรามีสติปัญญาให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเองเรียนรู้การขจัดความมักได้และความเห็นแก่ตัวออกไปเท่านั้นแล้วความรักก็จะเรืองแสงออกมาเองยามใดที่อัตตาสงบงนันยามนั้นเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นกันเองกับสรรพสิ่ง เริ่มรู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างระหว่างเรากับรีดริงเรไรกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเริ่มรู้สึกพรเรลภาพอันลึกซึ้งระหว่างเรากับสัปปรพชีวิตจิตใจดึงความเบิกบานของขอบฟ้ากว้างไกลให้เข้ามาใกล้ชิดรับรู้สปปรรพสิ่งยังมีชีวิตชีวาลองย้อนถามใจเราดูสักครั้งเถิดว่าเราปรารถนาจะมีชีวิตเช่นไร เป็นนายเหนือคนที่สั่งชี้อะไรได้ตามใจชอบนักการเมืองที่หลือชื่อเจ้าของห้างสรรพสินค้าผู้มั่งคั่งดาวกระพริบแสงในจอทีวีหรือปรารถนาจะมีชีวิตร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักมีแววตาแห่งสันติภาพสงบสุขมีความสามารถในการทำความพอกล่าวอีกในหนึ่งว่าเราจะอยู่กันอย่างยื้อแย่งห้าหันเพื่อจะได้ทะเยอทะยานขึ้นอย่างเย่อหยิ่ง หรือว่าเรารักที่จะยิ้มเย้มแจ่มใสกันอย่างเอื้ออาทรด้วยจิตสํานึกว่าทุกชีวิตคือพี่น้องของเราหากเราปรารถนาประการแรกก็จงสแสวงเข้าไปสะสมเข้าไปฟุ่มเฟือยเข้าไปแข่งขันกันเข้าไปชิงดีชิงเด่นกันไปจนไม่ต้องให้จิตได้พักผ่อนแต่ถ้าเราไม่ลวงตัวเองเสียอย่างสนิทใจแล้วแล้วก็เราก็จะพบจิตใจตนเองที่แสนจะรหกระเหินนี้ ไม่ได้พบกับความสุขจริงเลยเจ็บช้ำเพราะสารพัด ส, สิ่งเสียดแทงใจหากเราต้องการเป็นคนมีความรักก็จงสำรวมจิตลงกำหนดนิ่มๆลงที่ลมหายใจเข้าออกรำงับความวุ่นวายใจทั้งผองลงไปกายใจรำงับลงเจริญสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นและใคร่ครวนโดยแยบคายถึงสภาวะธรรมแห่งสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งของสรรพสิ่ง โลกทั้งผองพี่น้องกันไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราเองทั้งหมดเป็นเพียงสภาวะธรรมที่หยิบยืมใช้กันเพียงชั่วคราวเราต่างไม่มีสิทธิ์ผูกขาดในสิ่งใดเราไม่สามารถครอบครองสิ่งใดได้จริงเพียงไม่กี่ผืนผ้าก็ลาจากกันไปพึงอยู่อย่างไม่ครอบครองห่วงแหนพึงอยู่ร่วมกันยังมีความรักความเข้าใจเผื่อแผ่ เราเคยอ่อนแอเราเคยบาดเจ็บเพราะความมักได้อยู่เสมอเพราะเราลืมตัวในยามถูกท้าทายระวังใจไม่ทันรู้ไม่ทันอัตตาจึงต้องหมั่นเอาใจใส่ในการระวังใจไตรตรองสัจธรรมเสริมสมาธิให้มั่นคงด้วยการฝึกบ่อยๆในชีวิตประจำวันให้เวลากับตนเองในการเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วการสร้างสรรพสิ่งดีงามทั้งปวงก็จะเกิดขึ้น ด้วยศักยภาพของชีวิตด้วยมันสมองที่พร้อมจะคิดด้วยจิตที่กรุณาในสังคมใดหน่วยงานใดไม่เอื้ออำานวยให้มนุษย์รักการระวังใจตนและรู้เท่าทันใจตนแล้วสังคมนั้นหน่วยงานนั้นคือสถานจองจําจิตวิญญาณของผู้คนที่จ้องสแสวงหาผลประโยชน์อย่างโลกโลกมากกว่าการดารงอยู่ร่วมกันอย่างกรุณาสังคมนั้น เป็นดินแดนสร้างจิตใจผู้คนให้เกิดความมักได้คบหากันเพื่อผลประโยชน์ของกิเลสเร่าร้อนเพื่อนมนุษย์จะกลายเป็นเพียงสัตว์เศรษฐกิจหาใช้การครบหากันด้วยสำเน็กว่ามนุษย์นี้พี่น้องกันไม่ไม่มีใครเลยที่จะปรารถนาให้โลกนี้มีเพียงเราคนเดียวเราต่างต้องการเพื่อนร่วมโลกปรารถนาให้แวดล้อมไปได้วยความยิ้มแย้มแจ่มจใสบนใบหน้าของผู้คน ที่ปรากฏขึ้นด้วยความจริงใจแต่มีไม่น้อยเลยในสังคมเราที่เราต้องเสแสร้งเข้าหากันเพียงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเต็มใจอยู่อย่างเล่ลวงแม้ว่าสังคมนั้นๆจะดูเก๋และลวงใจกันว่าชั้นสูงแต่ถ้ามีได้ก่อขึ้นมาบนรากฐานแห่งการปันรักแล้วสังคมนั้นจะชื่อว่าสูงส่งได้หรือถึงเราหยิ่งภูมิใจอยู่ในสังคมมีระดับ เราก็มิได้สิ้นกังขาไปจากใจถึงสิ่งที่ตนไกวิกวาแสวงหาผู้จบการศึกษาสูงสูงไม่น้อยเลยคงมีชีวิตอยู่อย่างมักได้มีความมุ่งมา่ที่ต่ำสามมีจิตวิญญาณเร่าร้อนกว่าคนทั่วไปไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขจนเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นได้ในวังวนที่เราเรียกกันว่าสมาคมชั้นสูงสัมพันธ์กันด้วยรูปแบบหรูสิ้นเปลือง กลับกึกก้องไปด้วยความมักได้ภูมิใจในรูปแบบแต่หาภูมิใจในตัวเองได้ไหมประสบการณ์อันยาวนานที่ได้ปร่งใจเชื่อว่าตนเป็นผู้รู้เป็นผู้ดีเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่พยายามอวดอ้างกันนั้นมันคืออะไร มันกลับกลายเป็นการพยายามสร้างอักรฐานแห่งตนบนความมักได้อยู่อย่างฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยรถเก๋งราคาแสนแพงคฤหาสน์หลังโตหวังกอบกรรมต่อไปอย่างไม่มีขอบเขตแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในท่าทีสูงส่งภูมิฐานอ่อนหวานมีบุคลิกเฉียบกลับมิได้เป็นเครื่องหมายบ่งชี้ถึงความรักอันสูงส่งในดวงใจในห้วงสำนึกอาจไร้รัก ไม่เข้าใจตนเองและไม่พยายามที่จะเข้าใจอะไรคือประสบการณ์ของชีวิตที่พยายามอวดอ้างอย่างภูมิใจใช่หรือไม่คือความสำเร็จในเหลี่ยมคูธุรกิจของเจ้าพ่อเศรษฐกิจผู้เก่งกำไรคือการระเอิงอำนาจนับสิบปีของนักการเมืองผู้มีอิทธิพลคือการได้ท่องเที่ยวไปทัวนานาประเทศชมความแปลกหรูต่างๆของคุณหญิงผู้ฟุ้งเฟอ้ออะไรทั้งหลายในมาดหน้าศรัทธาและดูดี กลายเป็นการดำรงอยู่อย่างไรค่ายอมใจตนเองให้ไม่รู้จักความรักและเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์อย่างไรรูปแบบทําลายสำนึกปันรักในดวงใจตนเองซ้ายังได้สร้างค่านิยมมักได้ไว้ให้ผู้อื่นเคลื่อเคลิมนิยมตามยั่วยวนให้มนุษย์มีความเห็นใจต่อกันน้อยลงอํานาจเงินอานาจเกยียรติยศได้บรรดาลอะไรให้เราได้มากมายแต่บรรดาลความเพียงพอได้หรือไม่ มนุษย์เรามีความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพเพียงได้พออยู่พอกินแล้วเผื่อแผ่แต่เราถูกลวงให้ไม่รู้สึกตัวมีค่านิยมแพงๆไร้คุณค่าให้เราฟุ่มเฟือยและเหน็ดเหนื่อยในการพยายามครอบครองนับไม่ถ้วนคอลเลกชันหลากหลายดีไซน์เราต้องเข้าไปแบกรับชะตากรรมการรับผิดชอบต่อการแสวงหาสิ่งไร้สาระที่ถูกกาหนดให้นิยม มาตรฐานชีวิตเหลวไหลบีบคั้นจิตใจผู้คนให้เกิดความมักใหญ่ไฟสูงต้องการอยู่ดีกินดีแทนที่จะกินอยู่แต่เพียงพอดีและแบ่งปันมันบีบคั้นจนเราอยู่ไม่เป็นสุขกว่าจะมีความสุขได้สักเล็กน้อยก็ต้องซื้อหามาด้วยราคาแพงรสนิยมสูงมักเป็นเรื่องไร้คุณค่ายอมใจให้มักมากฟุ่งเฟอือ บีบคั้นให้ผู้คนเหนื่อยหนักกับการสแสวงหาส่วนเกินของชีวิตจนมีจิตใจคิดถึงคนอื่นน้อยลงใครก็ตามที่ดำรงชีวิตอยู่ได้การเสพมากเขาย่อมเบียดเบียนผู้อื่นมากอย่างไม่รู้ตัวและที่สำคัญเขาทำลายตนเองด้วยไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วยปัจจัยการครองชีพแบบคนธรรมดาสามมันผู้สันโดษแบ่งปันได้อย่างยากเย็นผู้สแสวงหาความรักทั้งหลาย ย่อมฝันใยที่ได้มีชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญทราบซึ้งในความเป็นคนธรรมดาไฟฝันที่จะมั่งคั่งน้ำใจมากกว่ามั่งคั่งเงินทองไม่ปรารถนารสนิยมมายาได้มาแล้วเผื่อแผ่เป็นอยู่ยังให้ผู้อื่นชื่นใจได้คนเรามีสิทธิสร้างสรรค์ความสงบสุขแก่ใจตนเองด้วยการมีความรักความสุขใจในความสันโดษคือบ่อกเกิดแห่งความรักที่ไร้ขอบเขต เราไม่จาเป็นต้องแซงสร้างความดีใดเลยขอเพียงแต่เราได้รู้จักพอความดีงามทั้งหลายจะหลั่งไหลออกมาเองอย่างไม่มีวันหมดความสุขและความรักของคนเราเป็นเหมือนสมบัติอันอัศจรรย์ยิ่งแบ่งปันกับยิ่งมีมาความรักจึงไม่อาจได้มาด้วยการโหยหาแต่ด้วยการให้ออกไปผู้สแสวงหาความรักที่แท้จริงจะต้องเริ่มต้นบทเรียนที่กล้าหาญ การดำรงชีพอยางกินน้อยใช้น้อยอยู่ยังไม่สะสมเรียบเรียกง่ายๆได้สาระสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสังคมเราไม่ได้ต้องการผู้ดีที่ฟุ้งเฟอ้อไม่ได้ต้องการคนแต่งกายหรูหราขับขี่รถราคาแพงไม่ได้ต้องการคนกรีดกรายรสนิยมสูงแต่เราต้องการคนอยู่อย่างต่ำที่กระทำย่างสูงอันเป็นชีวิตของผู้มีความรักที่แท้จริง ชีวิตที่มนุษย์ควรใฝ่ฝันกันควรหมายถึงบุคคลที่สามารถมีความรักแก่ผู้อื่นได้เสมอหาใช่บุคคลที่คนอื่นๆมารุมรักไม่